นารทสูตรว่าด้วยพระนารทะสมัยหนึ่งท่านพระนาระอยู่ที่กุกุตารามเขตกรุงปัตลีบุตรก็สมัยนั้นพระนางพัฒาราชเทวีผู้เป็นที่รักเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้ามุนทะสวรคตแล้วเมื่อพระนางพัฒาราชเทวีสวรคตแล้วพระองค์ก็ไม่สงสนานไม่แต่งพระองค์ไม่สวยพระกระยาหาร ไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจศบอยู่ที่พระศพของพระนางตลอดคืนตลอดวันลําดับนั้นพระเจ้ามุนทะได้รับสั่งเรียกมหาอมาตย์ชื่อว่าโสการัชคะผู้เป็นที่รักมาตรัสว่าท่านโสการักคะผู้เป็นที่รักท่านจงยกพระศพของพระนางพัทธาราชเทวีใส่เวนิรางเหล็กที่เต็มด้วยน้ํามันแล้วเอารางเหล็กอื่นปิดไว้ เพื่อเราจะได้เห็นศพพระนางให้นานๆโสการักขามหาอมตะทูลรับสนองพระบรมราชองค์การแล้วจึงจัดการยกพระศพพระนางใส่ไว้ในรางเหล็กที่เต็มไปด้วยน้ำมันและเอารางเหล็กอื่นปิดไว้ครั้งนั้นโสการักขะมหาอมตะได้มีความคิดว่าพระนางพัทธาราชเทวีผู้เป็นที่รักเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามุนทะนี้ได้สวรรคตแล้ว เมื่อพระนางสวรรคตพระราชาก็ไม่สงสนานไม่แต่งพระองค์ไม่เสวยพระกรยาหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทรงซบอยู่ที่พระศพของพระนางตลอดคืนตลอดวันพระองค์พึงเสด็จเข้าไปหาสมณะณหรือพรามรูปไหนหนอทรงสดับธรรมแล้วจะพึงละลูกศรคือความโศกได้ลำดับนั้นโซการักขามหาอมาตย์ได้คิดต่อไปว่า ท่านพระนาระทะรูปนี้อยู่ที่กุกุตารามเขครุงปาตลีบุตรกิติศัพท์อันงามของท่านขาจรไปแล้วอย่างนี้ว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเป็นนักปราชญ์เป็นพหูสูดกล่าวถ้อยคาไพเราะมีปฏิพาณดีเป็นพระผู้ใหญ่และเป็นพระอรหันต์จึงควรที่พระเจ้ามนลทะจะเสด็จเข้าไปหาท่านเพื่อบางทีจะได้ทรงสดับธรรมของท่านแล้ว จะทรงละลูกศรคือความโศกได้บ้างต่อมาโสการกขะมหาอมาตต์ได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะแล้วกราบทูลว่าขอเดชะท่านพระนาระทะรูปนี้อยู่ที่กุกุตารามเขครุงปัตตลีบุตรกิติศัพท์อันงามของท่านพระนาระทะขะจรไปแล้วอย่างนี้ว่าเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเป็นนักปราดเป็นผู้หูสูตรกล่าวถ้อยคําไพเราะ มีปฏิพานดีเป็นพระผู้ใหญ่และเป็นพระอรหันต์จึงควรที่พระองค์จะเสด็จเข้าไปหาท่านเพื่อบางทีพระองค์ได้ทรงสดับธรรมของท่านแล้วจะทรงละลูกสอนคือความโศกได้บ้างพระเจ้ามุนทะจึงรับสั่งว่าท่านอำมาต ถ, ถ้าเช่นนั้นท่านจงไปกราบเรียนท่านพระนารถาให้ทราบก่อนเพราะกษัตริย์เช่นเราพึงเข้าใจว่า สมณะหรือพราหมณ์ที่อยู่ในราชอาณาจักรยังไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนจะพึงเข้าไปหาได้อย่างไรมหาอัมมาทูลรับสนองพระบรมราชองค์การแล้วได้เข้าไปหาท่านพระนาระทะถึงที่อยู่ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบเรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระนางพัทตาราชเทวีผู้เป็นที่รักเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามุนทะนี้ได้สวรรคตแล้ว เมื่อพระนางสวรรคตพระราชาก็ไม่สงสนานไม่แต่งพระองค์ไม่เสวยพระกรยาหารไม่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทรงซบอยู่ที่ประสบของพระนางพัทาราชเทวีตลอดคืนตลอดวันขอท่านพระนารทะโปรแสดงธรรมแก่พระราชาโดยที่พระองค์ได้สัตธรรมของท่านแล้วจะทรงละลูกศรคือความโศกได้ท่านพระนารทะจึงกล่าวว่า มหาอามาตย์บัดนี้ขอให้พระราชาทรงทราบเวลาที่สมควรลำดับนั้นโซคารักขามหาอามาตย์ลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทท่านพระนารทะทำประทักศิลแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้ามุนทะกราบทูลว่าขอเดชะท่านพระนารทะได้เปิดโอกาสให้เสด็จไปแล้วบัดนี้ขอพระองค์ทรงทราบเวลาที่สมควรเถิดพระเจ้าค่ะ พระเจ้ามุนทะรับสั่งว่าท่านอมาต ถ, ถ้าเช่นนั้นท่านจงให้พนักงานตระเตรียมภานะอย่างดีไว้มหาอมาตทูนรับสนองพระบรมราชองค์การแล้วให้พนักงานตระเตรียมพระราชภานะอย่างดีไว้เสร็จแล้วจึงกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าได้ให้พนักงานตระเตรียมพระราชภานะอย่างดีไว้เสร็จแล้วบัดนี้ ขอพระองค์ทรงทราบเวลาที่สมควรเถิดพระเจ้าค่ะลำดับนั้นพระเจ้ามณทะเสด็จพระราชาําเนินไปสู่กุกุตารามเพื่อพบท่านพระนารทะด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่เสด็จไปเท่าที่พระราชาพานะจะไปได้เมื่อเสด็จถึงแล้วก็ได้เสด็จพระราชดําเนินเข้าไปยังอารามทรงเข้าไปพบท่านพระนารทะทรงถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควร ท่านพระนาระทะจึงได้ถวายพระพรเท้าถือว่าขอถวายพระพรมหาประพิตฐานะห้าประการนี้อันสมณนะพรามเทวดามารพรหรือใครๆในโลกนี้ไม่พึงได้ฐานะห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอย่าแก่ 2. ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอย่าเจ็บไข้ส ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาอย่าตาย 4. ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่าสิ้นไป 5. ขอสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาอย่าฉิบหาย 5. สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของปุตุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่า ไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงจริงที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบั ต, กบติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุกข์อกคร่ำครวนหลงงมงายอาหารเราก็จะไม่อยากรับประธาน กายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะ ง, งักพวกศัตรู ก, ก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบปกคร่ำครวญหลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกสอนคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตนเองนั่นเองให้เดือดร้อน สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเจ็บไข้ละถึงสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมสิ้นไปสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมฉิบหายไปเมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้ว เขาไม่พิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่ฉิบหายไปแท้จริงสิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติ ก, ตก็ฉิบหายไปทั้งสิน้นเมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบาร่ำไรทุบอกคร่อครวญ หลงงมงายอาหารเราก็จะไม่อยากรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุกอกคร่าครวญหลงงม ง, ง, ง, งายนี้เรียกว่าปุตุชนผู้ไม่ได้สดับ ถูกลูกสอนคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนส่วนสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของอรียสาวกผู้ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดาแก่ไปแล้วอรีย์สาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริง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 และพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี้เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกสอนคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุตุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศก ปราศจากลูกศรย่อมดับทุกขได้ด้วยตนเองสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของอรีย์สาวกผู้ได้สดับย่อมเจ็บไข้และถึงสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาของอารียสาวกผู้ได้สดับย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาของอารียสาวกผู้ได้สดับย่อมสิ้นไปสิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาของอารียสาวกผู้ได้สดับย่อมฉิบหายไป เมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้วอริยสาวกนั้นพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่ฉิบหายไปแท้จริงสิ่งที่มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็ฉิบหายไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความฉิบหายเป็นธรรมดาฉิบหายไปแล้ว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 ไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี้เรียกว่าอริสาวกผู้ได้สดับถอนลูกสอนคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนเองให้เดือดร้อนอาริสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกสอนย่อมดับทุกได้ด้วยตนเองขอถวายพระพรมหาภพิษฐานะห้าประการนี้แล อนสมณะพราหมณ์เทวดามารพรมหรือใครๆในโลกนี้ไม่พึงได้ท่านพระนาระทะครั้นกล่าวเวยากรณภพาสิดนี้แล้วจึงได้กล่าวคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าประโยชน์แม้เล็กน้อยในโลกนี้ใครๆย่อมไม่ได้ด้วยความเศร้าโศกย่อมไม่ได้ด้วยความครื่มครวญพวกสตรูทราบว่าเขาเศร้าโศกเป็นทุกข์ย่อมดีใจ แต่ในการใดบัณฑิตฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผลไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายในการนั้นพวกศัตรูเห็นหน้าซึ่งไม่ผิดปกติของบัณฑิตนั้นผู้ยังยิ้มแย้มตามเคยย่อมเป็นทุกข์บัณฑิตพึงได้ประโยชน์ในที่ใดใดด้วยวิธีใดใดคือด้วยการสรรเสริญด้วยการร่ายมนด้วยการกล่าวคาสุภาษิตด้วยการให้หรือด้วยการอ้างประเพณี ก็พึงบากบันในที่นั้นๆด้วยวิธีนั้นๆถ้าทราบว่าประโยชน์นี้เราหรือคนอื่นไม่พึงได้เธอผู้ไม่เศร้าโศกควรอดทนโดยพิจารนาว่าเราด้ทํทงานอย่างมุ่ง ม, มั่นแล้วบัดนี้เราจะทำอย่างไรเมื่อท่านพระนารทะกล่าวอย่างนี้แล้วพระเจ้ามุนทะได้ตรัสถามว่าธรรมปัญญาตินี้ชื่ออะไร ท่านพระนารทะถวายพระพรว่าขอถวายพระพรธรรมบัญยายนี้ชื่อเหตุถอนลูกศรคือความโศกพระเจ้ามุนทะตรัสชมว่าท่านผู้เจริญธรรมบัรยายนี้เป็นเหตุถอนลูกศรคือความโศกได้อย่างแท้จริงท่านผู้เจริญธรรมบัรยายนี้เป็นเหตุถอนลูกศรคือความโศกได้อย่างแท้จริงเพราะได้ฟังธรรมบัญญายนี้ ข้าพเจ้าจึงละลูกสอนคือความโศกได้ลำดับนั้นพระเจ้ามุนทะได้รับสั่งโศการะขะมหาอมาตย์ว่าท่านจงถวายพระเพลิงพระศพของพระนางพัทตาราชเทวีแล้วทำเป็นสถูกไว้ตั้งแต่วันนี้ไปเราจะอาบน้ำแต่งตัวบริโภคอาหารและประกอบการงานนารทะสูตรที่ส0บจบมุนทะราชวักรที่หจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อาทิยสูตร 2. สปพุริสสูตร 3. อิทธสูตร 4. มนาปธายีสูตร 5. ปุญญาพิสันทสูตร 6. สัมปธาสูตร 7. ธนะสูตร 8. ปฐานะสูตร 9. โกสลสูตร 10. นารทสูตร ปทมปัญ น, นาตจบสองุติยปัญ น, นาตหนึ่งนิวรณวักหมวดว่าด้วยนิวรหนึ่งอาวารณสูตร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 พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายนิวรงเครื่องกลางกั้น5้าประการนี้ครอบงำจิตแล้วทนกำลังปัญญานิวรงเครื่องกลางกั้น5ประการอะไรบ้างคือ 1. กรรมฉันทะความพอใจในกาม 2. พยาบาทความคิดพลาย 3. ถีนามิทะความหดหูและซื่งซึม 4. อุทจจะภูกุ จ, จะความฟุ้งซ่านและร้อนใจ 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยภิกษุทั้งหลายนิวรนเครื่องกลางกัน้น5ประการนี้แลครอบงำจิตแล้วทอนกําลังปัญญาภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นยังละนิวรนเครื่องกลางกัน้น5ประการนี้ที่ครอบงำจิตทอนกําลังปัญญาไม่ได้แล้วจะรู้ประโยชน์ตน รู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสองหรือจากทำให้แจ้งซึ่งยานทัศนะที่ประเสรศิฐอันสา ม, มารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยปัญญาที่ไม่มีกำลังที่อ่อนกำลังได้เปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาไปสู่ที่ไกลมีกระแสเชี่ยวพัด ส, สิ่งที่จะพัดไปได้บูรุษเพึ่งเปิดปากเหมือนทั้งสองข้างแห่งแม่น้านั้น เมื่อเปิดปากเหมืองแล้วอย่างนี้กระแสน้าในถ้มกลางแม่น้ำนั้นก็ซัดสายไหลผิดทางไหลไปสู่ที่ไกลไม่ได้ไม่มีกระแสเชี่ยวและไม่พัดสิ่งที่พอจะพัดไปได้ฉันใดเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นยังละนิวรณเครื่องกลางก้านห้าประการนี้ที่ครอบงำจิตทอนกำลังปัญญาไม่ได้แล้วจะรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสอง หรือจากทำให้แจ้งซึ่งยาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยปัญญาที่ไม่มีกำลังที่อ่อนกำลังได้ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นละนิวรณเครื่องกลางก้านห้าประการนี้ที่ครอบงำจิตทอนกำลังปัญญาได้แล้วจะรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสอง หรือจากทําให้แจ้งซึ่งยานทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถอันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยปัญญาที่มีกําลังได้เปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาไปสู่ที่ไกลมีกระแสเชี่ยวพัด ส, สิ่งที่พอจะพัดไปได้บุรุษพึ่งปิดปากเหมืองทั้งสองข้างแห่งแม่น้ำนั้นเมื่อปิดปากเหมืองแล้วอย่างนี้กระแสน้าในถ้ำกลางแม่น้านั้น ก็ไม่ซัดสายไม่ไหลผิดทางไหลไปสู่ที่ไกลได้มีกระแสเชี่ยวและพัด ส, สิ่งที่พอจะพัดไปได้ชันใดเป็นไปได้ที่ภิกษุนั้นละนิวรณ์เครื่องกลางก้าน5ประการนี้ที่ครอบงมจิตทอนกำลังปัญญาได้แล้วจะรู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่นรู้ประโยชน์ทั้งสองหรือจากทำให้แจ้งซึ่งยาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถ อันวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ด้วยปัญญาที่มีกำลังได้ฉันนั้นอาวรณสูตรที่หนึ่งจบสองอากุศลราสิสูตรว่าด้วยกองอากุศล ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองอกุศนเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึงกล่าวถึงนิวรณ์ธรรมที่กั้นจิตไม่ให้บรลุความดี5ประการเพราะกองอกุศนทั้งสิ้นคือนิวรณ์5ประการนิวรณ์ประการอะไรบ้างคือ 1. กามฉันทะ 2. พยาบาท 3. ถีนมิทะ 4. อุทจักุกุจจะ 5. วิจิกิจชา้าภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงกองอากุศลเมื่อจะกล่าวให้ถูกพึงกล่าวถึงนิวรณ์หประการนี้เพราะกองอากุศลทั้งสิ้นคือนิวรณ์หประการอากุศลราศิสูตรที่สองจบ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 หาเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บาเพ็ญเพียร5ประการนี้แลประธานิยังขสูตรที่สจบ สมยะสูตรว่าด้วยสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรภิกษุทั้งหลายสมัยที่มีควรบำเพ็ญเพียร5ประการนี้สมัยที่มีควรบำเพ็ญเพียรหประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นคนแก่ถูกชราครอบงำนี้เป็นสมัยที่มีควรบำเพ็ญเพียรประการที่หนึ่งสภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้อาพาธ ถูกพญาทิครอบงำนี้เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สองสมสมัยที่มีพิษสาหาได้ยากเข้ากล้าเสียหายบินทบาทได้ยากจึงไม่สะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพนี้เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่ส 4. สี่สมัยที่มีภัยมีการปล้นสะดมในดงาชาวชนบทพากันขึ้นยานพานอพยพไป นี้เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่ส 5. สมัยที่สงแตกแยกกันเมื่อสงแตกแยกกันจึงมีการด่ากันมีการบริาพาทกันมีการใส่ร้ายกันมีการทอดทิ้งกันหมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงนั้นก็ไม่เลื่อมใสและหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็กลายเป็นอื่นไปนี้เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่หภิกษุทั้งหลาย สมัยที่ไม่ควรบําเพ็ญเพียรหประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายสมัยที่ควรบําเพ็ญเพียรหประการนี้สมัยที่ควรบําเพ็ญเพียรหประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังเป็นคนหนุ่มแน่นมีผมดําสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มกําลังเจริญดํารงอยู่ในปฐมวัยนี้เป็นสมัยที่ควรบําเพ็ญเพียรประการที่หนึ่งสอง ภิกษุในธรรมวิไนนี้เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟท่าสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นนักไม่ร้อนนักปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร น, นี้เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สองสมสมัยที่มีภิกษาหาได้ง่ายข้าวกล้าดีบินธบาตได้ง่ายสะดวกแก่การสแสวงหาเลี้ยงชีพ นี้เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่ส 4. สมัยที่คนทั้งหลายพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาดกันเป็นเหมือน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่นี้เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่ส 5. สมัยที่สงพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาดกันมีอุเทศที่สวดร่วมกันอยู่พาสุข เมื่อสงฆ์พร้อมเพรียงกันจึงไม่มีการด่า ก, กันไม่มีการบริาพาคกันไม่มีการใส่ร้ายกันไม่มีการทอดทิ้งกันหมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงฆ์นั้นก็เลื่อมใสและหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นนี้เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่หภิกษุทั้งหลายสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรหประการนี้แหลสมยสูที่สี่จบ มาตาปุตตะสูตรว่าด้วยมานดากับบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยูน่นพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกเกษฐีเคกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแหลคนทั้งสองคือภิกษุและภิกษุณีผู้เป็นมานดาเป็นบุตรกันเข้าจำพรรษาในกรุงสาวัตถีคนทั้งสองนั้นใครจะเห็นกันเนือง แม่มานดาก็ใครจะเห็นบุตรหนึ่งเนืองแม่บุตรก็ใครจะเห็นมารดาหนึ่งเนงเพราะการเห็นกันหนึ่งเนืองของคนทั้งสองนั้นจึงมีความคลุกคลีกันเมื่อมีความคลุกคลีกันจึงมีความคุ้นเคยกันเมื่อมีความคุ้นเคยกันจึงมีช่องคนทั้งสองนั้นมีจิตได้ช่องไม่บอกคืนสิก ข, ขาไม่เปิดเผยความท้อแท้เสรเมุนธรมแล้วครั้งนั้น ภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนทั้งสองคือภิกษุและภิกษุณีผู้เป็นมารดาเป็นบุตรกันเข้าจำพรรษาในกรงสาวัตถีนี้คนทั้งสองนั้นใครจะเห็นกันหนึ่งเนึงแม้มารดาก็ใครจะเห็นบุตรหนึงเนืองแม้บุตร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 โมฆะบุษนั้นย่อมสำคัญหรือหนอว่ามารดาย่อมไม่กําหนัดในบุตรหรือบุตรย่อมไม่กําหนัดในมารดา 1. เราไม่เห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่เกิดความกําหนัดเกิดความใคร่เกิดความมัวเมาเกิดความผูกพันเกิดความหมกมุ่นทำอันตรายแก่การบรรลุธรรมที่เป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมเหมือนรูปสตรีนี้เลย สัตว์ทั้งหลายกำนัดยินดีติดใจหมกมุ่นพัวพันอยู่ในรูปสตรีตกอยู่ใต้อานาจรูปสตรีจึงเศร้าโศกตลอดกาลนาน 2. เราไม่เห็นเสียงอื่นแม้อย่างหนึ่งละถึง 3. เราไม่เห็นกลิ่นอื่นแม้อย่างหนึ่ง 4. เราไม่เห็นรสอื่นแม้อย่างหนึ่ง 5. เราไม่เห็นโผฏฐพะอื่นแม้อย่างหนึ่ง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 สตรีแม้เดินอยู่ก็ครอบงำจิตของบุรุษได้แม้ยืนอยู่แม้นั่งอยู่แม้นอนอยู่แม้หลับอยู่แม้หัวเราะอยู่แม้พูดอยู่แม้ขับร้องอยู่แม้ร้องไห้อยู่แม้พองขึ้นแม้ตายแล้วก็ครอบงำจิตของบุรุษได้ภิกษุทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าเป็นบ่วงโรคประัดแห่งมาร เมื่อจะกล่าวให้ถูกก็พึงกล่าวถึงมาตุคามนั่นแล้วว่าเป็นบ่วงโรคประห่งมารบุคคลสนทนากับเพชฌฆาตก็ดีสนทนากับปีศาจก็ดีถูกต้องอสรพิษที่กัดแล้วตายก็ดีก็ยังไม่ร้แรงเท่ากับการสนทนสองต่อสองกับมาตุคามเลยสตรีทั้งหลายย่อมผูกพันบุรุษผู้ลุ่มหลงด้วยการมองดูการหัวเราะการนุ่งห่มไม่เรียบร้อย และการพูดอ่อนหวานมาตุคามนี้มิใช่จะผูกพันเพียงแค่นี้แม้ตายไปแล้วพองขึ้นก็ยังผูกพันได้กามคุณห้านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐะซึ่งน่ารื่นรมย์ใจย่อมปรากฏในรูปสตรีเหล่าชนผู้ถูกกามโมคะห่วงน้ำคือกามพัดไม่กำหนดรู้กามย่อมมีการแห่งวัตตะติ และพบน้อยพบใหญ่ในวะตะสงสารเป็นเบื้องหน้าส่วนชนเหล่าใดกำหนดรู้กามเป็นผู้ไม่มีภัยแต่ที่ไหนไหนเที่ยวไปชนเหล่านั้นผู้บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นผู้ถึงฝั่งในโลกมาตาปุตตะสูที่หจบ อุปชายสูตรว่าด้วยอุปชาครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาพระอุปชาของตนถึงที่อยู่ได้กล่าวดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเดี๋ยวนี้กายของผมหนักขึ้นทิศทั้งหลายไม่ปรากฏแก่ผมทำทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ผมผมถูกถีนามิทะครอบงำจิตไม่ยินดีประพฤติพรมจันและมีความสงสัยในธรรมทั้งหลาย ต่อมาภิกษุนั้นพาภิกษุสัตธิวิหาริกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้กล่าวอย่างนี้ว่าเดี๋ยวนี้กายของผมหนักขึ้นทิท่ทั้งหลายไม่ปรากฏแก่ผมทำทั้งหลายก็ไม่แจ่มแจ้งแก่ผมผมถูกถีนมิทะครอบงำจิต ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์และมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุการที่กายของเธอหนักขึ้นทิฏ ท, ทั้งหลายไม่ปรากฏแก่เธอทำทั้งหลายไม่แจ่มแจ้งแก่เธอเธอถูกถีนามิทะครอบงำจิตไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์และมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายนี้ย่อมมีแก่ภิกษุผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนอยู่ไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายไม่ประกอบการเจริญโพธิปัจขัยธรรมทั้งหลายทุกวันทุกคืนเพราะเหตุนั้นแหละเธอพึงสำเนีกอย่างนี้ว่าเราจะคุ้มครองทวารในอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเป็นเครื่องเตือนอยู่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลาย ประกอบการเจริญโพธิปัจขียธรรมทั้งหลายทุกวันทุกคืนภิกษุเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แลครั้งนั้นภิกษุนั้นอันพระผู้มีพระภาคตรัสสอนด้วยพระโอวาส น, นี้แล้วก็ลุกจากอาสนะถวายอภิวาสทำประทักสินแล้วหลีกไปลำดับนั้นภิกษุนั้นหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิกายและใจอยู่ไม่นานนัก ได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่คุณบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการ้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันได้รู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่โจอพรหมจรรย์ลแล้วทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปก็ภิกษุนั้นได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่ง ในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายครันภิกษุนั้นได้บรรลุความเป็นพระอรหันต์แล้วจึงเข้าไปหาพระอุปชาของตนถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเดี๋ยวนี้กายของผมไม่หนักขึ้นทิศ ท, ทั้งหลายปรากฏแก่ผมทำทั้งหลายแจ่มแจ้งแก่ผมผมไม่ถูกถีนมิทะครอบงำจิตยินดีประพฤกพรหมจันทร์และไม่มีความสงสัยในธรรมทั้งหลาย ลำดับนั้นภิกษุนั้นพาภิกษุสัต ท, ทิวิหาริกนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรด็กกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเดี๋ยวนี้กายของผมไม่หนักขึ้นทิศ ท, ทั้งหลายปรากฏแกผมทำทั้งหลายแจ่มแจ้งแกผม ผมไม่ถูกถีนามิทะครอบงำจิตยินดีประพฤติพรหมจรรย์และไม่มีความสงสัยในธรรมทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุการที่กายของเธอไม่หนักขึ้นทิฏ ท, ทั้งหลายปรากฏแก่เธอธรรมทั้งหลายแจ่มแจ้งแก่เธอถีนามิทะไม่ครอบงาจิตยินดีประพฤติพรหมจรรย์และไม่มีความสงสัยในธรรมทั้งหลายนี้ ย่อมมีแก่ภิกษุผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เห็นแจ้งกุศลธรรมประกอบการเจริญโพธิปัจจียธรรมทั้งหลายทุกวันทุกคืนเพราะเหตุนั้นแหลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจากคุ้มครองทวารในอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเครื่องตือนอยู่เห็นแจ้งกุศลธรรม ประกอบการเจริญโพธิปักกิยธรรมทุกวันทุกคืนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลอุปชายสูตรที่หจบเจ็ดฐานสูตรว่าด้วย ฐานะที่ควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งภิกษุทั้งหลายฐานะหประการนี้ที่สตรีบุรุษครหัดหรือบรรปะชิตต้องพิจารณาหนึ่งหนึ่งฐานะหประการอะไรบ้างคือสตรีบุรุษครหัดหรือบรรปะชิตควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่า 1. เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ 2. เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา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 ย่อมเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นสตรีบุรุษครหัหั์หรือบันปะชิตควรพิจารณาหนึ่งๆว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลวว่าสัตว์ทั้งหลายมีความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวซึ่งเป็นเหตุให้ประพฤติชั่วด้วยกายประพฤติชั่วด้วยวาจาประพฤติชั่วด้วยใจ เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆย่อมละความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้สตรีบุรุษครหัดหรือบัณชิตจึงควรพิจารณาเนือ ง, งว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้สตรีบุรุษเคราหัดหรือบัณชิตควรพิจารณาเนือ ง, งว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายมีความมัวเมาในความไม่มีโรคซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ประพฤติชั่วด้วยกายประพฤติชั่วด้วยวาจาประพฤติชั่วด้วยใจเมื่อเขาพิจารณาฐานานั้นอยู่หนึ่งๆย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทาให้เบาบางลงได้ สตรีบุรุษครหัสหรือบันปชิตจึงควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้สตรีบุรุษคระหหัสหรือบันพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เ <os> พราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลว่า สัตว์ทั้งหลายมีความมัวเมาในชีวิตซึ่งเป็นเหตุให้ประพฤติชั่วด้วยกายประพฤติชั่วด้วยวาจาประพฤติชั่วด้วยใจเมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนือ ง, องย่อมละความมัวเมาในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้สตรีบุรุษครหัดหรือบัพชิตจึงควรพิจารณานเนืองว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพนความตายไปได้ สตรีบุรุษครหอขัดหรือบรรพชิตควรพิจารณาเ น, อเนืองว่าเราจะต้องพลัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในของรักของชอบใจซึ่งเป็นเหตุให้ประพฤติชั่วด้วยกายประพฤติชั่วด้วยวาจาประพฤติชั่วด้วยใจ เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่หนึ่งเนืองย่อมละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในของรักของชอบใจนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้สตรีบุรุษครืหัดหรือบัรพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเราจะต้องพระพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นสตรีบุรุษครหัดหรือบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าเรามีกรรมเป็นของตน